ซึ่งก็จะมีความสุขแต่เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขเดียวเดียวเป็นความสุขเหมือนกับควันไฟได้มาแล้วก็จางหายไปก็ต้องหามาเพิ่มใหม่อยู่เรื่อยๆได้ลาบยศสรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสผธพระมาใหม่ๆก็ดีอกดีใจมีความสุขใจ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 แต่ที่แน่นอนก็คือเขาจะต้องกับเราจะต้องจากกันไม่ช้าก็เร็วแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปกําหนดว่าจะจากกันในวันนั้นหรือในวันนี้จึงทําให้เกิดความวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาภายในใจความวิตกกังวลนี้ก็คือความทุกข์ใจนี้เอง ที่ได้รับจากการไปติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ติดกับลาบยศจรนลเสริญติดกับรูปเสียงกลิน่นรสโลิตภะณติดกับร่างกายของเราและของผู้อื่นของคนที่เรารักนี่เป็นใจที่ถูกความหลงครอบงามอยู่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 เวลาสูญเสียสรรเสริญแล้วต้องมาพบกับคำนินทาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะ ท, ที่เสพเพื่อให้ความสุขก็เป็นเช่นเดียวกันมีเจริญได้มีเสื่อมได้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะของของแฟนของคู่รัก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 คนที่ไม่เส็บนี้ไม่เดือดร้อนไม่มียาเส็บติดก็ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจมีก็ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจมีก็ไม่เสบไม่มีก็ไม่เส็บทั้งใดของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่พวกเราเส็บกันยึดติดกันหากันมาแทบเป็นแทบตายเพื่อที่จะให้ความสุขกับพวกเรานี้ ก็เป็นเหมือนยาเสพติดดีๆนี่ลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะเนี่ยเป็นสิ่งเป็นเหมือนยาเสพติดไม่เสพก็ได้ไม่ตายเช่นพระพุทธเจ้าพระอังขันตสาวกทั้งหลายท่านไม่ได้เสพราบยศสรรเสริญไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะท่านก็อยู่ได้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 พระพุทธเจ้าก็เคยมีราบยศจลเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภพระดับของพระราชามหากษัตริย์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดินมีปราสาทสามฤ ด, ดูมีบริษัทบริวารที่คอยรับใช้คอยให้ความสุขในทุกรูปแบบ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 เวลาแก่ก็จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้อย่างยากลาบากเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็แทบจะหาไม่ได้เลยและเวลาตายก็จบความสุขต่างๆที่จะได้จากลาบยศแล ะ, ละสรสญจากรูปเสียงกลิ่นรสปวดตาพระนี้ก็จะหมดไป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 ก้าที่จะสละราชสมบัติก้าที่จะสละการเสพรูปเสียงกลิ่นรสปวดตการเสพลาบยศสรรเสริญแล้วก็ไปบำเพ็ญเจริญจิตตะภาวนาไปรักษาศีลให้บริสุทธิ์เจริญจิตตะภาวนาเพื่อทำใจให้สงบ เมื่อใจสงบแล้วก็จะได้พบกับความสุขใจที่เป็นความสุขที่ดีกว่าที่เหนือกว่าความสุขที่พระ อ, องค์เคยได้รับจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิน่นลสผลตภะเวลาออกจากความสงบนี้พระ อ, องค์ก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้หวนกลับไปหาความสุข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 ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลาเกิดความเจ็บขึ้นมาขณะที่นั่งสมาธิอยู่หรือเวลาไหนก็ได้ที่เกิดความเจ็บขึ้นมาเราก็ใช้พุทโธพุทโธไปเราไม่ได้ใช้พุทโธเพื่อดับความเจ็บของร่างกายแต่เราใช้พุทโธเพื่อดับความเจ็บของใจที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไป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 ก็คือความอยากให้เวทนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตัวนี้แหละที่เป็นพิษเป็นภัยพอเกิดความอยากแล้วก็จะเกิดความร้อนใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็าต้องใช้ปัญญาปล่อยวางว่าไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เวทนาเป็นอนิจจงเป็นอนัตตาอ น, นิจจงคือเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา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 ก็ถ้าเราอยากให้เขาสุกเองอย่างเดียวเราก็จะทุกข์นี่คือการใช้ปัญญาพิจารณาต้องให้เห็นทั้งตายรักต้องเห็นทั้งอริยสัจสี่เห็นตายรักก็เห็นว่าเวทนานี้เป็นอนิจจงเป็นอนัตตาเห็นอริยสัจสี่ก็เห็นว่าความทุกข์เกิดที่ใจเกิดที่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 เชื่อมกันตรงตัวทุกขังนี่อาริยสัจ ส, สีก็มีมั้งมัก้ก็คือปัญญาปัญญาก็ต้องเห็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาสรุปแล้วจะว่าอาริยสัจ ส, สกับตายรักนี่เป็นอันเดียวกันก็นกนได้เป็นส่วนที่ทํางานร่วมกันอาริยสัจ ส, สี่มีมั้ง มักก็คือการเห็นอ น, นิจจังเห็นอนัตตานั่นเองทุกก็คือการเห็นว่าทุกเกิดจากความอยากอันนี้ก็อยู่ในอริยสัจ น, นี่คือวิธีปฏิบัติที่จะทำให้เราเห็นธรรมะพอเราเห็นธรรมะเราเราก็จะเข้าใจเราก็จะไม่หลงเราก็จะไม่ไปยึดไปติดไปยุ่งกับ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 ร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราถ้าเราผมแยกออกมากรองไว้เอาขนแยกออกมากรองไว้เอาหนังเอาเนื้อเอาเล็บเอาฟันมาแยกเป็นกองๆไว้เหมือนกับเวลาที่พ่อค้าหมูพ่อค้าเนื้อเขาชำแหละตัวหมูหรือตัววัวแล้วเอาไปขายที่ตลาด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 เวลาที่ร่างกายนี้หยุดหายใจแล้วมันก็จะแปลงสภาพไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปน้ำที่มีอยู่ในร่างกายก็จะไหลออกมานมที่มีอยู่ในร่างกายก็จะระเหยออกมาไฟที่มีอยู่ในร่างกายก็จะหายไป mm. เหลืออยู่ส่วนที่เป็นส่วนแข็งที่ต่อไปก็จะย่อยสลายกลายเป็นดินไป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 สงบระดับเทก็เป็นเทกไปสงบระดับพรมก็เป็นพรมไปสงบแบบพาณิพานก็เป็นพาณิชพานิานไปนี่คือบ้านที่เราจะย้ายไปต่อไปขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราว่าเราสามารถปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรถ้าเราปฏิบัติได้ขั้นรักษาศีลขั้นทาทาน ทำทานรักษาศีลห้าเราก็จะได้บ้านระดับเทศถ้าเรารักษาศีลแปได้เรานั่งสมาธิได้เราก็จะได้บ้านระดับพรมถ้าเราเจริญปัญญาวิปัสนาเห็นตายักเห็นอนิจจทุกขังอนัตตาเห็นอริยาาสัจสเราก็จะได้บ้านระดับของพระอริยเจ้าขั้นต่างๆเริ่มตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไป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 ที่เสื่อมไปก็เพราะความอยากนี่เองถ้าอยากจะหยุดความอยากก็ต้องให้เห็นใา้รักเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาในสิ่งที่ใจไปอยากถ้าเห็นแล้วใจก็จะหยุดอยากได้เพราะหยุดอยากแล้วก็จะไม่มีความอยากมาทำลายความสงบที่ได้มาจากการเจริญสมาธิใจก็จะสงบไปตลอด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 ถ้าเราจเจริญสติอย่างเข้มข้นตลอดเวลาตัวสตินี่แหละที่จะเป็นตัวที่ทําให้ใจในสงบในเบื้องต้นแล้วตัวปัญญาก็จะเป็นตัวที่จะทําให้ใจสงบอย่างถาวรตามลําดับต่อไปก็ขอให้พวกเราจงหันหน้าหันความสนใจของพวกเราให้มาสู่การปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า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 มันก็จะเป็นอยู่เรื่อยๆอันใดถ้าเราไม่ปล่อยวางความสุขทางราบยศจะรสญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพเราก็จะต้องเจอความทุกข์ที่จะตามมาอยู่เรื่อยๆหลังจากที่เราได้เสพความสุขแล้วความทุกข์ก็จะตามมาแต่ถ้าเราไม่ต้องการเจอความทุกข์แบบนี้เราก็ต้องหยุดการเสพความสุขแบบนี้ แล้วมาเสกความสุขแบบที่เพื่อเจ้าและพระอาลหันตสาวกทั้งหลายได้เสกกันแต่ก็ต้องทุกข์ในเบื้องต้นเพราะจะต้องสละความสุขทางราบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกเล่นกายไปต้องไปเปลีกวิเวกต้องไปอยู่คนเดียวแล้วก็จเจริญสติควบคุมบังคับใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เป็นสิ่งที่ใจชอบคิด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 เพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะทาวารรวาหาปุราปัริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิตทนินังเปตานาังอุปกาปติ อิต um ิต so ังปติตัง so ตุ მ หังคิพะเมวาสมิจจโตสะเภปโเรนโตสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิตโยวิวัจจโตุสัพพะโรโววินัสสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ อาภิวาธานาศิริสนิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมวาทานติอายุวนโนสุขังภาลั ง, ลงใครอยากจะถามปัญหาธรรมะก็ขอให้ขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนต่อไปเป็นคำถามจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะข้อที่หนึ่ง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 มีคุณค่าที่ต่างกันไปเป็นหนึ่งในบารมีสิบก็คือทานบารมีเป็นขั้นต้นเป็นเก้าบันไดขั้นต้นที่จะพาให้ก้าขึ้นสู่ขั้นที่สองคือศีลบารมีเนขัมมะบารมีเข้าสู่ศีลเข้าสู่ภาวนาภาวนาก็จะมีเนขัมมะบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมี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 ไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจำเป็นจะต้องสละสิ่งต่างๆที่เป็นเหมือนกับพันธนาการที่จะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติทำขั้นสูงได้ข้อที่สองควรจะมีความศรัทธาเชื่อได้ไหมว่าเป็นภาพบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าในวงเล็บอ้างว่ามาจากบังคลาเทศ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 พระาธาตุนี้มีจริงพระาธาตุนี้เป็นกระดูกเป็นอัฐิของผู้ที่ได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาจานตสาวกทั้งหลายแล้วการสร้างเจดีย์นี้ก็เพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติหรือเป็นอนุสรณ์เป็นปูชนียสถานเพื่อที่จะให้เป็นการสั่งสอนอนุชนรุ่นหลังที่จะตามมาต่อไป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 ก็ศึกษาต่อไปก็รู้ว่าใครก็ตามถ้านําคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัต mm. ิเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัต mm. ิก็จะได้รับผลเช่นเดียวกัน mm. เพราะพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิโก mm. ไม่เสื่อมไปตามวันตามเวลาไม่เหมือนสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ผลิตขึ้นมาแล้ว mm. เดี๋ยวก็ต้องหมดอายุหมดสภาพไป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 ไปอกแนวทางหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นการศึกษาเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์นี้จะสอนเราให้รู้ถึงการผิดพลาดของผู้ที่อยู่ในอดีตและการกระทาที่ถูกต้องของผู้ที่อยู่ในอดีตว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าทาอย่างนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะได้ศึกษาเรียนรู้จาก ป, ป, ร, ะประสบการณ์ของผู้อื่น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 ของการศึกษาให้ผู้ที่ไม่มีความรู้จะได้เกิดความรู้ขึ้นมาที่จะได้นำเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองดังนั้นพระธาตุที่บรรจุนี้จะเป็นของปลอมของจริงก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเราเชื่อว่าเป็นของจริงก็ดีเราก็จะได้จะได้ถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ให้แก่นุชชนรุ่นหนังต่อไปเวลาเราพาลูกหลานไปกราบพระเจดีย์เดี๋ยวเขาก็จะถามว่ากราบอะไร ปัญหาก็คือคนพาไปการาบก็ไม่รู้เหมือนกันคนก็เลยกลายเป็นคนตาบอดพาคนตาบอดไปเรียนผู้ใหญ่ต้องศึกษาก่อนต้องต้องอยากรู้ก่อนหรือถ้าลูกถามเด็กถามแล้วตอบไม่ได้ต้องรีบไปหาคําตอบไม่ใช่บอกว่าอย่าถามเลยยุ่งคำถามข้อต่อไปจากคุณแมนแผลตีตะ ถ้ากระผมอยากจะบวชสักหนึ่งเดือนกระผมจะต้องเตรียมอะไรไปด้วยบ้างครับก็เตรียมใจเนี่ยใจพร้อม้วทุกอย่างมันมาเองในเมืองพุทนี่มีคนยินดีที่จะสนับสนุนทุกอย่างสำไมที่อาตามาไปบวชที่วัดบวรเนี่ยมีคนมาถามเลยว่ามีเจ้าภาพหรืยอยังมีคนอยากจะเป็นเจ้าภาพบวชพระกันเยอะแยะไปหมดดังนั้นขอให้ใจพร้อมทุกอย่าง แล้วทุกอย่าางมมันจะเคำถามข้อต่อไปจากคุณรัชนกไกส่สีปกติของพระปฏิบัติจะทราบการปฏิบัติตนต่อคาราวาสแล้วควรจะทำอย่างไรให้คาราวาสปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้เป็นการลบกวนพระสงฆ์หรือพระปฏิบัติเจ้าค่ะก็พระเป็นอาจารย์เนี่ยคาราวาสเป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็ต้องสอนต้องบอกได้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 แต่ถ้าเราเชื่อเราก็จะได้รับประโยชน์เพราะเราจะได้น้อมเอาอัตถิของท่านมาเป็นการเจริญสติเป็นการเจริญปัญญาต่อไปได้เ <c oughs> ช่นเราพิจารณาว่าทําไมอัตถิของท่านถึงกลายเป็นพระธาตุทาไมอัตถิของคนอื่นจึงไม่กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาเราก็จะค้นหาคําตอบเราก็จะได้ทราบว่าจิตของผู้ที่บ่อยสุดที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงนี้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 ถ้าอย่างที่พูดเนี่ยมันหลอกเรามันสร้างปัญหาต่างๆให้กับเราเวลาเรานั่งสมาธิปัญหาร้อยแปดก็มาทันตรงนั้นบ้างคันตรงนี้บ้างอยากจะเกินน้ำลายบ้างนั่งไปแล้วรู้สึกตัวพองขึ้นมาบ้างนั่งขึ้นมาแล้วตัวหดลงไปบ้างนั่งขึ้นมาแล้วเอ็นไปทางซ้ายเอ็นไปทางขวาร้อยแปดพันประการอันนี้แหละจิตมันสร้างปัญหาขึ้นมาข้อสําคัญเราอย่าไปสนใจมันเราให้สนใจอ ย, อยู่กับกรรมบริกรรมของเรา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 ดีไปดีกว่าถ้าอยู่แล้วดีกว่าไปก็อยู่ดีกว่าถ้าไปก็ดีอยู่ก็ดีไปก็ดีอยู่ก็ดีดด <c oughs> ต้องเลือกเอโอุตคำตอจากทางอินเทอร์เน็ตแล้วค่ะแต่มีเด็กหนุ่มมาแล้วถาเลยพ่ะอาจารย์ครับทำไมเวลาพุดโทพุดโทแล้วทำไมจิตชอบ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 เพราะมีเพื่อนกัลยาณมิตรนั้นอยากจะรู้มากนะฮะฝากผมมาถามหลายครั้งแล้วแต่ผมก็ไม่กล้าถามนะครับแต่ขอว่าเป็นเรื่องสมมุตินะครับคือมีครูบาอาจารย์หรื อ, อพระนะครับกะะนนนัลยาณีบอกว่าเคารพนับถือมากแต่มารู้ทียงว่าเป็นปราชิกนะครับแต่ก็ยังไม่ราสิขาลาเพศยังมี ปัญญาและบุตรอยู่นะครับแต่การสั่งสอนอบรมนั้นสอนดีมากอย่างนี้จะถามว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์นั้นและอุปสมบทนะกุลบุตรนั้นองค์ที่บุตรนั้นจะเป็นพระหรือไม่ครับขออาจารสิ่งสมมตินะครับขอขอาจะรสิ่งสมมติผมไม่าอบฝากมาถามหลายครั้งแล้วแต่ผมไม่กล้าถามนะครับ ถ้าท่านยังเป็นพระอยู่การทํากิจกรรมของพระก็ยังถือว่ายังยังเป็นอยู่หมายถึงว่าแต่แต่รู้ว่าเขาต้องปราชิตนะฮะหมายถึงว่ามีบุตรด้วยคำว่า巴拉ชิตมันก็ต้องอยู่ที่ว่าต้องมีการตัดสินกันนะคต้องมีการขึ้นศาลของสงฆ์ถ้าเราสงสัยว่าลูกพระรูปนี้เป็นปาราชิตเราก็ต้องยืนเรื่องไปให้แก่เจ้าอาว่าส เจ้าวาก็อาจะต้องยื่นเรื่องขึ้นไปสู่เจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอตามลําดับเพื่อที่จะได้ส่งคณะสงฆ์ตั้งคณะสงฆ์เข้ามาพิสูจน์ว่าประราชิกหรือเปล่าในขณะที่ยังพิสูจน์อยูน่นี่กิจกรรมต่างๆที่ท่านทําอยู่นี้ก็ยังถือว่าเป็นกิจกรรมของสงฆ์อยู่ครับคืออย่างนี้นะครับหลวงพ่อผมกับาญาติตรงนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าบุคคลนั้น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 ไม่ถึงว่าท่านรู้อยู่แต่ท่านท่านก็ยังไม่ไปอ่ะนะครับาะท่านก็เป็นคนที่แบบว่าต้นการด้วนไงคือจะไม่มีความเจริญในทางาศาสนาได้ไปเทานั้นอานิสงส์ของบุคคลที่บุตบุญด้วยจะได้มากในน้อยยังไงครับก็ทํากับบ้านยังได้เลยทำไปทำกับคนยังไม่ได้นะครับนะครับ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วท่านไปทํากิจกรรมกับหมู่สงนะครับหลวงพ่อก็ยังถือว่าท่านเป็นสง์อยู่เกะยังไม่มีการตัดสินไม่มีการชี้อ่อนะครับเคยยังไม่มีการตัดสินนะครับก็เหมือนโยมถูกตํารวจจับาะยังไม่ได้ตัดสินโทษโยมก็ยังไม่ถือว่าผิดใช่ไหมครับจนกว่าจะได้รับ ก, การตัดสินว่าผิดแล้วถึงจะได้รับ ก, การลงโทษต่ตอไปฉะนั้นผู้คนที่ไปทําก็ไม่ต้องมาสงสัยนะครับอเพราะว่าถือว่า ท่านยังไม่ถูกตัดสินแต่เพราะการกระทำของเรานี้ไม่ได้เกี่ยวกับบุญหรือบาปของท่านครับทํากับพระเจ้าฟังก็เหมือนกับทํากับคนที่ไม่เหมือนก็เหมือนกันอยู่ที่เราทำหรือไม่ทํเขาเขามีการตกเถียงว่าแล้วองค์ที่เป็นต้องประราชิกสิสมมุตินะครับแล้วเป็นครูบาอาจารย์แล้วอย่างที่เราข่าวกันบ่อยเราก็ถึงว่าแล้วก็บวชลูกมาตั้งหลายคนก็ท่านกระบวตอยู่บวชหลานมาต้องหลายคนกระบวตอยู่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 ไม่คิดครับสาทุกครับหงพ่ครั บ, บถ้าไม่ได้บวชแต่ปฏิบัติทำได้ก็ดับบรรลุทำได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ยที่บวชหรือไม่บวชอยู่ที่ปฏิบัติอยู่ที่ศึกษาหรือไม่ศึกษาปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเวลาก็หมดพอดี <c oughs> ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความ จเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ